ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลังการดีกาแปลพระพุทธรักิตาจารย์ชาวศีรังการจนาพรรณนาค า, าถาแสดงความนอบน้อมพระสุขเจ้าพระองค์ใดไม่ทรงปรารถนาแล้วซึ่งสุขทุกข์และอุเบกขาด้วยปฏิปทาที่มีความเหมาะสม ไม่ทรงปรารถนาแล้วซึ่งสมบัติที่กามชักจูงและซึ่งสมบัติที่กามชักจูงไม่ได้ไม่ทรงปรารถนาแล้วซึ่งพบที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและซึ่งพบที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทรงละไปแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระสุคตเจ้าพระองค์นั้นในคาถานั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าสุขขังสุขคือสุขทางกายและทางใจได้แก่สมณะ สุขในราชสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิที่เกิดด้วยกำลังแห่งกุศลอันสั่งสมมาตลอดสมัยอันกำหนดนับไม่ได้ซึ่งความสุขสุดยอดในโลกอันใดพระสุคตเจ้าก็ไม่ทรงปรารถนาซึ่งสุขนั้นพระพุทธรักขิตาจารย์ย่อมแสดงการละกามมะสุขันลิกานุโยคด้วยคำว่าสุขแหงนั้นคำว่าทุก ทุกได้แก่ทุกที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับจากการบำเพ็ญเพียรเป็นเวลาหกปีทุกที่เกิดขึ้นเพราะการบริจาคพระเนตรในคราวบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์เป็นต้นและทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดมีทุกขในนรกเป็นต้นพระสุคตเจ้าไม่ทรงปราถนาแล้วซึ่งทุกขเหล่านั้นพระพุทธรักษตาจารย์ย่อมแสดงการที่พระโพธิสัตว์ทรงละอัตตาคิลมัฐานุโยคด้วยคำว่าทุกขนั้น คำว่าสมะตายุเปขังอุเบขาด้วยปฏิปทาที่มีความเหมาะสมความว่าจตุตฌานมีสติบริสุทธิ์พระอุเบขาอันใดที่ได้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาอันเว้นจากส่วนสุดโต่งสองประการและอุเบขามีองค์ประกอบหกประการคือชรังคุเปขาที่ได้ด้วยวิบุติคืออรหัตผลซึ่งมีจตุตฌานนั้นเป็นบาท พระสุคตเจ้าก็ไม่ทรงปรารถนาแม้ซึ่งอุเบกขาด้วยปฏิปทาที่มีความเหมาะสมนั้นอธิบายว่าพระสุคตเจ้าทรงปราถนาเฉพาะซึ่งอนุปาธาป ร, รินิพานเท่านั้นคําว่าการมณีตังสมบัติที่การชักจูงได้แก่พระสุคตเจ้าไม่ทรงปราถนาสมบัติในภพที่กามตัิหาชักนําไปคําว่าอาการมนีตัง สมบัติที่การชักจูงไม่ได้ได้แก่พระสุคตเจ้าไม่ทรงปราถนาโลกรตระสมบัติที่ทรงได้มาด้วยการละกามฉันทะอีกในหนึ่งคาว่ากามนิตังสมบัติที่การชักจูงได้แก่พระสุคตเจ้าไม่ทรงปราถนาสมบัติที่ความปราถนาของพระองค์ชักนาคือความเป็นพระพุทธเจ้าที่พระองค์ต้องทรงกระทาอภินิหารคือความปราถนา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 สมบัติที่การชักจูงไม่ได้ความว่าพระสุคตเจ้าไม่ทรงปรารถนาอารหัตผลที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ปรารถนาด้วยตัณหานั้นไม่มีแต่ว่าปรารถนาด้วยฉันทะนั้นยังมีอยู่ทรงเข้าวิมุตติสุขเสวยวิมุตติสุขพระสมบัติเป็นประจำอีกอย่างหนึง่งพึงทำคาคือแปลคาว่ากามะมะกามะนีตังเป็นวิเศษณของบาตรแรกพึงสัมพันธ์คาว่าอสังขตัง ที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและคําว่าสังคตะสัมภวังที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเข้ากับคําว่าภวังก็คือพบข้อนในคําว่าภวังคือพบนี้หมายถึงสมบัติและการเข้าถึงอธิบายว่าพระสุคตเจ้าพระองค์ใดไม่ทรงปรารถนาเลยซึ่งสมบัติมีมรรคผลและพระสัพพายุตยานเป็นต้นที่ทรงได้มาด้วยการกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานฌานนสมบัติ ซึ่งมีบัญญัติเป็นอารมณ์และโภคสมบัติในภพที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอันเกิดจากบุญที่กำหนดนับไม่ได้อันใดข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสุคตเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าหมดความปรารถนาด้วยตัณหาแล้วแต่ว่าความปรารถนาด้วยฉันทะในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกือกูลต่อสรรพสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะการเข้าสเสวยวิมุตติสุขนั้นก็เป็นผลที่ทำให ใครทำบุญด้วยก็มีผลมีไอส่งมากเพราะฉะนั้นก็ยังส่งปรารถนาในการเข้าสวยวิมุติสุขอยู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสวยทำใดแล้วไม่แก่ไม่ตายและพระอริยะทั้งหลายเหล่าใดเสวยทำนั้นแล้วไม่แก่ไม่ตายข้าพเจ้าขอนอบน้อมทำนั้นและพระอริยะทั้งหลายเหล่านั้นแล้วจะยังห่วงแห่งใจของผู้ฟังทั้งหลายนั้น ให้เต็มเปี่ยมด้วยการพันธนาพ่วงน้ำคือพระคุณแห่งพระพุทธเจ้าคําว่ายัญจานุพุทธวาสเสวยธรรมใดมีอธิบายว่าเทวดาและมนุษย์หาประมาณนม้ได้สเสวยโลกุตระธรรมก้าประการอันใดด้วยการเสดคุนเป็นอารมณ์และการเสดคุนเป็นการเจริญภาวนาที่ไม่แก่ไม่ตายได้เป็นผู้พ้นแล้วจากทุกในการเวียนว่ายตายเกิด มีความแก่และความตายเป็นต้นข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมซึ่งธรรมนั้นคำว่าเยจานุพุตตวาและพระอริยะทั้งหลายเหล่าใดเสวยธรรมนั้นแล้วมีอธิบายว่าพระอริยะทั้งหลายเหล่าใดเสวยคือบรรลุธรรมนั้นแล้วไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอริยะทั้งหลายเหล่านั้นคำว่ามะนันะวัตสะห่วงแห่งใจนั้น ตัดบทแยกเป็นมะนันนะวังอสระอธิบายว่าข้าพเจ้าจะขอยังห่วงแห่งดวงใจของนักศึกษาทั้งหลายให้เต็มเปี่ยมด้วยการกล่าวพันนาห่วงแห่งคุณนั้นคือพระพุทธคุณได้แก่ด้วยคำพีชีนาลังการที่แสดงพระพุทธคุณพรา้พระพุทธรัตคิตาาจารย์แสดงการนอบน้อมพระรัตนตรัยอย่างนี้แล้ว บัดนี้เมื่อจะแสดงความยำเกรงของตนจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าชิเนธระดังนี้นางฟ้าสระสะวดีผู้เที่ยวไปสถิตยอยู่บนกระพองของพระผู้ชนะอย่างยิ่งใหญ่ดุจพญาช้างตกมันเป็นแมลงพึ่งในดอกบัวคือปากของโอรสพระชินเจ้าทั้งหลายโปรดพอใจที่จะกำเนิดในคันคือป่าของข้าพเจ้า อำนวยประโยชน์อันสูงสุดอย่างไม่ขัดข้องในคาถานั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้พระผู้ชนะนั้นด้วยทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชิเนทระดุดคำว่าสัททินเดรยะเป็นต้นอีกในหนึ่งพระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรและพระโมคคาณะนะเป็นต้นผู้ชนะมานห้าแล้วเหล่านั้นใด พระผู้มีพระภาคทรงเป็นใหญ่แห่งพระสาวกทั้งหลายเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชิเนนทระทรงเป็นใหญ่ในหมู่พระสาวกผู้ชนะมารพญาช้างฉดทันผู้ไม่เป็นเหยื่อแม้ของศรีรษะทั้งหลายผู้เหาะไปในอากาศชื่อว่าพญาช้างในทีน่นี้พระชินเจ้าเพียงดังพญาช้างชื่อว่าดุจพญาช้างพระชินเจ้าดุจพญาช้างนั้นด้วยตกมันด้วย เพระทรงแก้วกล้าในบริษัทแปดเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ามัตเตภะดุจพญาช้างตกมันพระชินจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั้นด้วยดุจพญาช้างตกมันด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชีเนนทระมัตเตภะพระชินจ้าผู้ยิ่งใหญ่ดุจพยางช้างตกมันความเมาของช้างย่อมเป็นไปกับด้วยกระพองเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสกุมพระอยู่กับกระพอง ที่ชื่อว่าความเมาในที่นี้คือการบรรลืออย่างไม่เกรงกลัวซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจการที่พระผู้มีพระภาคเจา้าทรงแสดงอริยสตจครอบงำความเมาคือความถือตัวเป็นต้นการบรรลืออยู่กับกระพองของพระผู้ชนะอย่างยิ่งใหญ่ดุจพญาช้างตกมันชื่อว่าชินเนทรมาตะพระสะกุมพระถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรตอบว่าคืออาสภิวาจา การเที่ยวไปบนกระพองของพระผู้ชนะอย่างยิ่งใหญ่ดุดพยาช้างตกมันนั้นเป็นปกติของนางฟ้านั้นเพราะเหตุนั้นนางฟ้านั้นจึงชื่อว่าชีเนนธระมัตเตภะสกุมพระจารินีถามว่านางคือใครตอบว่าคือนางฟ้าสรัสะวดีอลีนินางฟ้าในที่นี้ก็คือพระพุทธพจน์หมายความว่าคำที่พระพุทธเจ้าตรัสออกมายางองอาจนั้น มีเนื้อหาสาระสมบูรณ์สําเร็จประโยชน์กับผู้ฟังคือมีผลแก่ผู้ฟังการที่มีผลประโยชน์นี้ถือว่าเป็นการตั้งคันนางฟ้าสรสวดีนั้นผู้ฮินดูถือว่าเป็นเทพธิดาผู้ประทานความรู้ต่างๆถือกําเนิดในดอกบัวทางพุทธศาสนานําคํานี้มาใช้หมายถึงพระสัทธรรมที่ตรอดออกมาจากพระโอษของพระพุทธเจ้าท่านเปรียบพระพุทธพจน์เป็นนางฟ้าสรสวดี เปรยพระโอษของพระพุทธเจ้าเป็นปทุมคับพระคือห้องแห่งปทุมนางฟ้าสรสวดีก็คือพระพุทธพจน์ที่มีใจความสมบูรณ์สําเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังแล้วน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติจนได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควรถือว่านางฟ้าตั้งครันบัดนี้นางฟ้าสรสวดีอาลีนินั้นตั้งครันเพราะบริบูรณ์ด้วยเนื้อความเฉพาะบท มีนยัตถะคือเนื้อความที่พึงนำไปคือต้องอธิบายเพิ่มเติมและนีตัตถะเนื้อความอันนําไปแล้วคือไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมเช่นสังขารทั้งหลายไม่ที่ย่งเป็นทุกข์ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาส่วนเนยัตถะต้องอธิบายเพิ่มเติมเช่นบุคคลสี่มีอยู่ในโลกแต่ว่าโดยปรมัตดก็ต้องแยกแยะกันอีกเป็นต้นเนื่องด้วยสมาคมกับอาสพิวาจาของพระผู้มีพระภาค คำว่าชโนรสานางมุขปังกชาลินีเป็นมแมลงพึ่งในดอกบัวคือปากของโอรสพระชินเจา้าทั้งหลายมีอธิบายว่าโอรสทั้งหลายของพระชินดาเจ้าชื่อว่าชิโนระสาได้แก่พระอริยสาวกทั้งหลายเป็นมแมลงพึ่งในดอกบัวคือปากของโอรสพระชินเจา้าเหล่านั้นเพียงดังดอกบัวชื่อว่าปังกะชะดุจ ด, ดอกบัว ปังกะชะก็มาจากคำว่าชะแปลว่าเกิดปังกะแปลว่าคนตมสิ่งที่เกิดจากคนตมก็คือดอกบัวปากนั่นเทียวเป็นดุจ ด, ดอกบัวชื่อว่ามุขะปังกะชะดุจแมลงพึ่งชื่อว่าอะลีนิแมลงพึ่งนำ น, ำน้ำต้อยในดอกปทุมเป็นต้นไปทำเป็นน้ำพึ่งฉันใดนางฟ้าสารสวดีนี้ก็ฉันนั้นนำรสแห่งกวีรสแห่งเนื้อความในถ้อยคำของกวี ที่เป็นเรื่องสมมุติและเรื่องประมาทเป็นต้นไปแต่งบทประพันธ์เป็นคาถาและร้อยแก้วอย่างไข่เรา ะ, ะ, ะเพราะพิ้งดวดแมลงพึ่งในดอกบัวคือป่าชื่อว่ามุขปังกะชารินีคือนางฟ้าสารสวดีเป็นเช่นกับแมลงพึ่งด้วยคำนี้มีคำอะไรที่ท่านกล่าวอธิบายไว้ท่านแสดงอธิบายไว้ว่า นางฟ้าสระสวดีนั้นเป็นผู้ที่ประสูตรออกมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกำลังตั้งคันด้วยแล้วมาถึงดอกบัวคือปากของโอรสทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยักษเยื้องไปด้วยอำนาจแห่งอัตกถาทั้งปวงจึงมีความไถ่เราะคำว่าตระสวตีในคำนี้ว่าสระสวตีเมมุขคัพพระคัพพินี นางฟ้าสรัสวดีจะกำเนิดในคันคือปากของข้าพเจ้านางฟ้าสรัสวดีคือเทพธิดาหมายถึงพุทธวาจาที่ประกอบด้วยรถของกวีผู้ประพันธ์ตามสภาวะแห่งเสียงคำว่ามุขะคัตพระครัพพินีไม่ใช่สมาทเมื่อท่านควรจะกล่าวว่ามุขะคับเพ ท, ท่านก็ทาการลบวิพัสเสียเพราะฉะนั้น นางฟ้าสารสวดีนั้นตั้งครันพราะสมาคมกับอาสภิวาจาได้สวยรสอร่อยในดอกบัวคือป่าของโอรสพระชินเจ้าทั้งหลายได้ความยินดีบัดนี้เมื่อไปได้สถานที่ครอดในที่อื่นเพราะเหตุที่โอรสของพระชินเจ้าเหล่านั้นปรินิพานแล้วจึงมาอยู่ในครันคือป่าของข้าพเจ้าการที่นางฟ้านั้นมาจงเป็นการมาดีขอจงเป็นผู้ไม่มีความขัดข้อง เพลิคือคลอดประโยชน์ของตนคือประโยชน์อันสูงสุดของตนได้แก่คลอดบุตรจำนวนมากกล่าวคือเนื้อความเฉพาะบทจงพอใจที่จะอยู่ในปากของข้าพเจ้ามีคำที่ท่านกล่าวอธิบายไว้ดังนี้ว่าข้าพเจ้าจะนำพระบาลีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้วและคำอธิบายที่พระโอรสทั้งหลายของพระองค์แสดงไว้แล้วมาพรนานาคำภีชีนาลังกา ให้สำเร็จประโยชน์พระพุทธรกกิตาจารย์ผู้ผ่านการวิเนฉัยอัฏฐแล้วด้วยอํานาจการเรียนการสอบถามและโยนิโสมนัสิการในระหว่างค่าสตุศาสตร์อันจําแนกการเล่าเรียนทั้งหมดในพระไตรปิฎกผู้ฉลาดในลัที่ของตนและของผู้อื่นผู้ได้กระทําการสั่งสมในวิชาคํานวณวิชานักศัพทวิทยาวิชาตักกวิทยาและวิชาไวยากรณ์ ผู้มุ่งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นกระสงค์จะกล่าวพุทธานุสติอันชื่อว่าชินาลังกาเพื่อความเลื่อมใสของเหล่าชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นของเหล่าชนที่เลื่อมใสอยู่แล้วสองเพื่อละมิจฉาทิฏฐิสเพื่อความตั้งมั่นด้วยดีแห่งสมมติทิ4เพื่อระกิเลสทั้งปวงหเพื่อการได้เฉพาะซึ่งหมู่แห่งคุณทั้งปวงห เพื่อความสาเร็จแห่งสมาธิและสมาบัติเจ็ดเพื่อความบรรลุวิชาและวิมุตติแปดเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานก้าเพราะฉะนั้นการฟังพุทธานุสติที่ชื่อว่าชินารังการนี้ก็จะได้อั น, นิี้สองก้าประการถ้าฟังด้วยดีฟังด้วยแยกขายนะเมื่อจะประมวลแสดงพระพุทธคุณทั้งสิ้นโดยสังเกตด้วยการอ้างการกราบไหว้ในคาถาหนึ่งคาถาจึงกล่าวว่า พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสละสรัตย์บุตรชายาอวัยวะและชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกแล้วทรงบำเพ็ญบา ร, รมีสามสิบท้วนและโพธิปักเยธรรมอันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้บริบูรณ์แล้วทรงบรรลุพระโพธิญาณอันบริสุทธิ์ที่ให้พระคุณทั้งสิน้นทรงเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้งสามทรงกระทำที่สุดแห่งทุกข์แล้ว ทรงเปลื้องหมู่ชนผู้กระทำกรรมงามไว้ออกจากทุกข์แล้วในคาถานั้นมีคำอธิบายว่าคำว่าโยพระองค์ใดเป็นคำที่แสดงเนื้อความที่มิได้กำหนดแน่นอนว่าผู้ใดคือผู้เช่นใดเป็นคนดำหรือขาวดังนี้เป็นต้นพระพุทธรักษิตาจารย์ย่อมกำหนดผู้นั้นว่าพระพุทธเจ้าคำว่าโลกัตถายะเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกคือ เพื่อความสำเร็จแห่งประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลายคำว่าบุตโธพระพุทธเจ้าคือมหาบุรุษคนหนึ่งผู้แทงตลอดทมทั้งปวงแล้วคำว่าทานังซั์ได้แก่สวิญญาณกะซั์มีช้างมา้าท่าหญิงและท่าชายเป็นต้นหรืออวิญญาณกะซั์มีแก้มุกดาแก้มณีและเงินเป็นต้นบวว่าบุตโตบุตร ได้แก่บุตรและธิดาทั้งหลายคาว่าภริยาชายาได้แก่ชายาผู้ร่วมเกี่ยวข้องกันดกิเลสคาว่าอังคะคืออวัยวะได้แก่อวียวะมีมือเท้าหูและจมูกเป็นต้นคำว่าชีวังชีวิตได้แก่สรีระทั้งสิ้นที่เนื่องกับชีวิตตินสีคำว่าจะชิตตวาคือทรงสละได้แก่ทรงให้แก่ชนเหล่าอื่นด้วยเจตนาจะให้ พระพุทธรักษิตาอาจารย์ย่อมแสดงมหาบริจากห้าด้วยคำนี้คำว่าปูเรตวาคือทรงบำเพ็ญบริบูรณ์แล้วทรงให้สําเร็จอย่างไม่บกพร่องคำว่าปาระมีโยบารมีวิเคราะห์ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมไปคือย่อมดำเนินไปตู่ฟังคือพระนิพพานด้วยปฏิปทาเหล่านี้พระเหตุนั้นปฏิปทาเหล่านั้นชื่อว่าบารมีคำว่าติละสาสามสิท้วน คือตะโยดสัตเพราะเป็นทิคุสมารอธิบายว่าบา ร, รมีสามสิบทัศคำว่าอนุปเมอันหาข้อเปรียบเทียบนี้ได้คือล่วงพ้นข้ออุปมาได้แก่เว้นจากข้ออุปมาเพราะไม่มีบุคคลอื่นที่เป็นเช่นนั้นเช่นให้ศีรษะเป็นทานคำว่าโพธิปักกิยะธรรมเมโพธิปักกียธรรมมีวิเคราะห์ว่า ความรู้ในมรรคสี่เรียกว่าโพธิอีกอย่างหนึ่งวิเคราะห์ว่าบุคคลใดย่อมตัดสุรู้เพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าโพธิผู้ที่จะตัดสรู้ได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าทำทั้งหลายอันมีในฝักฝ่ายแห่งโพธิยานั้นหรือของบุคคลผู้จะตัดสุรูนั้นชื่อว่าโพธิปัคขิยะธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการตัดสรู้ถามว่าธรรมเหล่านั้นคือธรรมอะไรตอบว่า คือทรรมที่จะบ่มพระโพธิญาณเหล่านั้นได้แก่โพธิปัจญธรรมาม37ประการเหล่านี้คือสติปทานสี่สัมมปทานสี่อิทธิบาทสี่อิน 5, รียห้าภะห้าโพชฌงเจ็ดอริยมักมีองคปดทรงบำเพ็ญธรรมเหล่านั้นในข้อความนั้นเชื่อมความว่าทรงบำเพ็ญบารมีสามสิบทัตมีทานเป็นต้นที่ยังอาริยมักให้สาเร็จและโพธิปัจยธรรมสิดประการ ที่บ่มพระโพธิญาณอันหาข้อเปรียบเทียบนี้ได้อย่างบริบูรณ์คําว่าปัตะวาทรงบรรลุคือทรงบรรลุด้วยพระญาณคําว่าปัวทิงพระโพธิญาณคือมรรคญาณทั้งสี่คำว่าวิสุทธังอันบริสุทธิ์คือเว้นจากมนทีนมีราคะเป็นต้นคําว่าสักกละคุณะดะดังที่ให้พระคุณดังสิน้นมีอธิบายว่าทรงบรลุพระโพธิญาณอันบริสุทธิ์ อันให้พระพุทธคุณทั้งสิ้นเป็นต้นอย่างนี้คืออภิน ญ, ญาหกอสานธรณญาณหกพุทธญาณสิบสี่อาเวนิกธรรมสิบแปดคำว่าเศรษฐพูโตติโลเกทรงเป็นผู้ประเสริฐในโลกสามมีอธิบายว่าโลกทั้งหลายสามที่ประมวลมาชื่อว่าติโลกังโลกสาม พระพุทธเจ้าทรงบรรลุซึ่งความเป็นผู้มีญาณอันยอดเยี่ยมในโลกสามคือสัตวโลกสังขารโลกและโอกาสโลกหรือในโลกสามคือกามวจรโลกรูปวจรโลกและอรูปวจรโลกสำหรับอภิญญาหกอาศทระยานหกพุทธญาณสิบสี่อาเวนิกะธรรมสิบแปดก็จะได้กล่าวต่อไปในภายหลังคำว่าสัตวา ทรงกระทำแล้วคือทรงทําจนสําเร็จแล้วคําว่าดุขสัตวอันตังที่สุดแห่งทุกข์คือทรงอย่างที่สุดคือส่วนปลายแห่งทุกข์ในวัฏะแม้ทั้งสิน้นได้แก่อนุปาธาปรินิพานอันไม่มีการอุบัติขึ้นอีกให้สําเร็จแล้วคําว่ากะตะสุภชนะตังมูชนผู้กระทํากรรมงามไว้ได้แก่ประชุมชนผู้ที่ได้กระทําบุญไว้แล้วในสํานักของพระพุทธเจ้าในปางก่อน คำว่าดุกขโตโมจะยิฐะทรงเปลื้องออกจากทุกข์แล้วอธิบายว่าทรงเปลื้องออกจากทุกข์และจากเหตุแห่งทุกข์และจากขันห้าซึ่งได้โวหารว่าทุกข์ได้แก่ทรงกระทาให้เป็นผู้ควรแก่อนุ ป, ปาทาปรินิพานนี้เป็นการพรรณนาตามลำดับในคาถานี้สำหรับอภิญญาหกก็ได้แก่หนึ่งอิทธิวิธีความรู้ที่ทาให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ สอทิพยโสตยานที่ทำให้มีหูทิพส์สามเจโตปริยญาญ ย, ยานที่ทำให้กำหนดใจคนอื่นได้สี่ปุเพนิวาสานุสติญาญยานที่ทำให้ระดึกชาติได้ห้าทิพยจักขุยานยานที่ทำให้มีตาทิพส์หกอาสวยายาัคยญาญยานที่ทำให้อาสวัสิ้นไปส่วนอาสาธารณะยานหกก็คือพระยานของพระพุทธเจ้าซึ่งพระสาวกเทั้งหลายไม่มีอย่างพระพุทธองค์ รวมอยู่ในยานทั้งเจ็ดสิบสามที่พระสารีบุตรแสดงไว้ในปฏิสมิธามัจยานกถะทาอาศาทรณญาณไม่ทั่วไปแก่สาวกหกอย่างก็คือหนึ่งอินเดริยะปโรปริยัติญาณความรู้ในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายสองอาสยานุสยะญาณความรู้ในอาสยะและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลาย สามยะมะกะปาฏิหาริยะญาณความรู้ในยะมกปาฏิหารในการที่จะแสดงยะมกยติปฏิหารที่เป็นคู่คู่ใส่น้ํากับท่อไฟนะสี่มหากรุณาสมาปัฏิญาณความรู้ในมหากรุณาสมาบัตห้าสัพพัญญติญาณความรู้ในสิ่งทั้งปวงหกอนาวรณญาณความรู้ที่ไม่มีสิ่งกลางกัน้นไม่มีอะไรขัดขวางสําหรับพุทธญาณสิบสี่ พุทธยานสิบี่ก็หมายถึงยานของพระพุทธเจ้าสิบสี่อย่างด้วยกันก็ได้แก่ความรู้ในอริยสัจสี่ความรู้ในปฏิสัมพิทาสี่ก็เป็นแปดแล้วก็อาศารณะญาณหกก็เป็นสิบสี่อันนี้ก็เป็นพุทธยานนะจัดว่าเป็นพุทธยานสิบสี่ประการก็ได้แก่ยานในทุกหนึ่งยานในทุกขสมุทัยสอง ยาในทุกขนันยโรต์สามยาในทุกขนันยโรธคาไม่ดีปฏิปทาสี่ยาในอัฏฐปฏิสัมพิทาห้ายาในธรรมปฏิสัมพิทาหกยาในนิโรติปฏิสัมพิทาเจ็ดยาในปฏิพาลปฏิสัมพิทาแปดแล้วก็ยาในความรู้ในความยิ่งในความหย่อนของ 4, อินทรีย์อินตริยะประโยปรยิปรยัติยา น, นาเป็นเก้าอสุยานุสยะยานเดืนสิบ ยมะกะปาติหารระยะยานเป็นสิบเอ็ดมหากรุณาสมาปฏิยานเป็น 12, สิบสองสัพทานยุตยานเป็นสิบสามแล้วก็อนนาวรณายาณก็เป็นสิบสี่สิบสี่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธยานนะเป็นพุทธยานส่วนอาเวนิกคุณหรือว่าอัถารสมาพุทธธรรมเนี่ยอัถารสมาพุทธธรรมหรือว่าอาเวนิกคุณนะเป็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกประการหนึ่ง นะซึ่งไม่ค่อยได้ฟังกันนะไม่ค่อยได้รู้จักกันนะแต่ว่าเป็นคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ควรที่จะรู้ควรที่จะสนใจนะเพราะว่าก็เป็นเฉพาะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเท่านั้นอเวนิกะเนี่ยนะแปลว่าเป็นทรรมเฉพาะพระพุทธเจ้านะมีสิบแปดประการเรียกว่าอัถารสมพุทธคุณสิบแปดประการนี้ก็ได้แก่้อที่หนึ่งพระยาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ติดขัด ในอดีตคือน้อมไปในอดีตเท่าไหร่เท่าไรก็ไม่มีความติดข้องไม่มีความติดขัดอะไรสองพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ติดขัดในอนาคตสามพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ติดขัดในปัจจุบันสี่กายกรรมทั้งปวงมีพระยานเป็นผู้นำไปเป็นไปตามพระยานห้าวจีกรรมทั้งปวงก็มีพระยานเป็นผู้นำไปเป็นไปตามพระยานหกมโนกรรมทั้งปวงก็มีพระยานเป็นผู้นำไปเป็นไปตามพระยาน เจ็ดชันทะไม่เสื่อมความพอใจในการที่จะทำำําบําเพ็ญคุณงามความดีเพื่อกูลแกสัตว์โลกนั้นไม่มีความเสื่อมนะแปดการแสดงธรรมก็ไม่มีความเสื่อมเก้าความเพียรไม่เสื่อมสิบสมาธิไม่เสื่อมสิบเอดปัญญาไม่เสื่อมสิบสองวิมุตติไม่เสื่อมเพราะว่าเป็นโลกุตตระธรรมหมดแล้วสิบสามไม่มีการละเล่นการทําเล่นๆ น, นะการทําเล่นๆ น, นี่ไม่มีสําหรับพระพุทธเจ้า สิบสี่ไม่มีการกระทำโดยผลผลาญสิบห้าไม่มีสิ่งที่พระยานไม่สัมผัสสิบหกไม่มีการกระทำรีบด่วนสิบเจ็ดไม่มีความคิดที่ไร้จุดหมายสิบแปดไม่มีการวางเฉยโดยที่ไม่พิจารณาสิบแปดประการนี้ก็เรียกว่าเป็นอาเวนิกธรรมก็คือเป็นธรรมะที่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่สาธารณะแก่คนอื่นเหมือนกัน บัดนี้จะขอพรรณนาเนื้อความที่สัมพันธ์โดยเฉพาะก็บุรุษผู้วิเศษนี้ใดซึ่งเทวดาและพรหมทั้งหลายชมเชยแล้วโดยในเป็นต้นว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้เพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ก็แลพระโคดมผู้เจริญนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอระหันต์ตัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณนะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจา้าเป็นผู้มีพระภาคเจ้า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 พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตนการได้พบเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงแม้พระธรรมเสนาบดีสารีบุเทระก็ชมเชยพระมหาบรุษว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงมีพระปัญญามากมีพระปัญญากว้างขวางมีพระปัญญาอาจฐานมีพระปัญญาฉับไวมีพระปัญญาเฉียบคมมีพระปัญญาเพิกถอนกิเลสทรงมีความฉลาดในประเภทแห่งปัญญามีพระญาณแตกฉานทรงบรรลุกุศลทรงบรรลุปฏิสัมพิธาทรงบรรลุเวสารัชยานสีทรงทสพลายานทรงเป็นบุรุษองค์อาจทรงเป็นบุรุษผู้ประเสริฐที่สุดทรงเป็นบุรุษผู้สูงสุด ทรงเป็นบุรุษอาชาในทรงเป็นบุรุษผู้นำธุระไปทรงมีพระญานหาที่สุดมิได้ทรงมีพระเดชหาที่สุดมิได้ทรงมีพระยศหาที่สุดมิได้ทรงมั่งคั่งทรงมีทรัพย์มากทรงมีปัญญาเป็นทรัพย์ทรงเป็นผู้นำทรงเป็นผู้นำไปให้วิเศษทรงเป็นผู้ตามแนะนำทรงเป็นผู้ให้รู้จักประโยชน์ทรงเป็นผู้ให้พิจารณาทรงเพ่งประโยชน์ทรงทำให้เลื่อมใสได้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงทำมรรคที่ยังไม่เกิดพร้อมให้เกิดพร้อมตรัสบอกมรรคที่ยังไม่ได้ตรัสบอกทรงรู้จักมรรคทรงรู้แจ้งมรรคทรงฉลาดในมรรคก็แลพระสาวกทั้งหลายของพระองค์เป็นผู้ดำเนินไปตามมรรคอยู่ในบัดนี้จะเป็นผู้เพียบพร้อมในภายหลังก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ทรงมีพระจัตตุทรงมีพระญาณทรงมีธรรมทรงมีอัตทรงเป็นดุจพระพรหมตรัสบอกทรงนำความหมายออกมาทรงประทานอมตะธรรมทรงเป็นเจ้าของธรรมทรงเป็นพระประธาคตสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นไม่ทรงทราบไม่ทรงเห็นไม่ทรงรู้แจ้งไม่ทรงทําให้แจ้งมิได้ทรงสัมผัสด้วยพระปัญญาย่อมไม่มี ทำทั้งปวงแม้ในอดีตอนาคตและปัจจุบันย่อมมาสู่คลองแห่งพรยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยอาการทั้งปวงธรรมดาว่าสิ่งที่ควรรู้เป็นธรรมที่ควรรู้คือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ ท, ทัท้งสองฝ่ายประโยชน์ในปัจจุบันหรือประโยชน์ในภ พ, พหนพพ้าประโยชน์ตื้นประโยชน์ลึกประโยชน์ลี้ลับหรือประโยชน์ปิดบังประโยชน์ที่ควรแนะนําหรือประโยชน์ที่แนะนําแล้ว ประโยชน์ที่ไม่มีโทษหรือประโยชน์ที่ไม่มีกิเลสประโยชน์ที่ผ่องแผ้วหรือประโยชน์อย่างยิ่งไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปในภายใน พ, ในพระพุทธญาณกายกรรมหวจีกรรมมนโนกรรมทุกอย่างย่อมเป็นไปตามพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า พ, าพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจา้าไม่ติด ข, ขัดในอดีตไม่ติด ข, ขัดในอนาคตไม่ติด ข, ขัดในปัจจุบันสิ่งที่ควรรู้มีอยู่เท่าใด พระยานก็มีเท่านั้นพระยานมีอยู่เท่าใดสิ่งที่ควรรู้ก็มีเท่านั้นพระยานย่อมมีสิ่งควรรู้เป็นที่ตุดสิ่งที่ควรรู้ก็ย่อมมีพระยานเป็นที่ตุดพระยานย่อมไม่เป็นไปเกินเลยสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้ก็ย่อมไม่เป็นไปเกินเลยพระยานทำเหล่านั้นดำรงอยู่สุดรอบของกันและกันเปรียบเหมือนชั้นแห่งพระอกสองชั้นวางทับกันสนิทดีชั้นพระอกอันล่างก็ไม่เกินอันบน ชั้นพระอบอันบนก็ไม่เกินอันล่างชั้นพระอบทั้งสองชั้นนั้นย่อมวางทับประกบกันและการสนิทริมพระอบชั้นใดสิ่งที่ควรรู้และพระยานของพระผู้มีพระภาคพุพทธเจา้าก็ดำรงอยู่สุดรอบของกันและกันชั้นนั้นพระยานของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจา้าย่อมเป็นไปในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงเนื่องอยู่กับความนึกหน่วงเนื่องอยู่กับความรำพึงเนื่องอยู่กับปณสิกาน เนื่องอยู่กับจิตตุบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระยานของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าย่อมเป็นไปในสัตว์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบอัธยาศัยย่อมทรงทราบอนุสัยย่อมทรงทราบจริตย่อมทรงทราบอธิมุตของสัตว์ทั้งปวงต้องรู้จักเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสตุดทุรีน้อยในปัญญาจักษุผู้มีกิเลสทุรีมากในปัญญาจักษุ ผู้มีอินทรีกล้าผู้มีอินทรีอ่อนผู้มีอาการดีผู้มีอาการทรามผู้ที่จะแนะนำให้รู้ง่ายผู้จะแนะนำให้รู้ได้ยากผู้เป็นพระพระสัตว์ผู้เป็นอัพพรสัตว์ปลาและเต่าไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ใดรวมทั้งปลาติมิปลาติมิงคละและปลาติมิติมิงคละย่อมอาศัยอยู่ในภายในมหาสมุทรฉันใดโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลก มูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปในภายในพระญาณของพระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนกันนกครุดปีกยาวห้าสิบโยชนกขนหางยาวหกสิบโยชนคอยาวสามสิบโยชนจงอยปากยาวเก้าโยชนเท้ายาวสิบสองโยชนบินกินบริเวณเป็นวงกลมในอากาศถึงร้อยแปดสิบเจ็ดโยชนกทั้งหลายนับแต่พยาครุดตัวใหญ่ประมาณร้อยห้าสิบโยชนนั้น ย่อมบินอยู่ในเขตแห่งอากาศชันใดพระพุทธสาวกทั้งหลายผู้เสมอกับพระสารีบุตรด้วยปัญญาย่อมตกอยู่ในตัวแห่งพระพุทธญาณชั้นนั้นเหมือนกันพระพุทธญาณย่อมแผ่คลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่ราวคัติยาบัณฑิตพรามมณะบัณฑิตฆราบดีบัณฑิตสมณะบัณฑิตมีปัญญาละเอียดรู้วาทะของผู้อื่นดุดนายขมังธนูสามารถยิงเนื้อสายได้ ดุดจะเที่ยวทําลายทิฏฐิผู้อื่นด้วยปัญญาบัณฑิตเหล่านั้นพากันแต่งปัญหาเข้าไปหาพระตถาคตทูลถามปัญหาที่ลี้ลับและปกปิดปัญหาเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก้แล้วเป็นปัญหามีเหตุที่ทรงชี้แจงแล้วบัณฑิตเหล่านั้นถูกดึงดูดด้วยการทรงวิจัชนาปัญหาจึงเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคจาย่อมทรงรุ่งเรืองยิ่งด้วยพระปัญญาในหมู่ชนเหล่านั้นพระมหาบุรุษได้รับการชมเชยพระคุณจากพระธรรมเสนาบดีจากนาครุคนทันกุมภันยักษ์มนุษย์เทวดาและครมทั้งหลายผู้อยู่ในแสนโกศจักรวาล น, นับถอยหลังไปสี่อตสงไข่หนึ่งแสนกับที่ล่วงไปแล้วในครั้งก่อนท่านเกิดเป็นตุเมธดาบท สำเร็จอภิญยาห้าตรวจดูโลกด้วยทิพย์ักษสุเห็นสัตว์ทั้งหลายตกลงไปในอบายสี่แล้วร่างกายหักแหลกรานเสวยทุกอย่างใดหลวงแล้วหัทถหวั่นไหวด้วยกรุณาได้พบพระทีปังกราศาสดาสละอารหัตผลซึ่งควรจะเกิดขึ้นแน่แท้ในสำนักพระทีปังกราศาสดานั้นปราถนาพระสัมมาสัมพธิยาณอันมีประโยชน์เพื่อกูลแก่สรพสัตได้รับการพยากรณ์แล้ว ได้บริจาคยิ่งใหญ่ห้าอย่างที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้คือทรัพย์บุตรชาญาอวัยวะและชีวิตในชาติกันดาลหาประมาณมิได้บำเพ็ญบา ร, รมีสามสิทธัสเหล่านี้คือบารมีติอุปปารมีติปรรมะบารมีติที่ท่านกล่าวไว้ว่าทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติ สัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาและโพธิปักษ์ยธรรมสารเจประการอย่างบริบูรณ์จนหาข้อเปรียบเทียบนี้ได้ไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นพระมหาบุรุษผู้บำเพ็ญโพธิสมภารแล้วอย่างนี้ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณอันบริสุทธิ์ซึ่งให้พระพุทธคุณทั้งสิน้นตรงบรรลุความเป็นผู้เจริญและประเสริฐที่สุดในโลกธาตุทั้งสาม ทรงยังทุกในวัฏฏะแม้ทั้งสิ้นของพระองค์ให้สิ้นไปแล้วทรงแสดงคัามแก่ชนจานวนมากผู้ได้กระทําบุญไว้ในปางก่อนแม้เหล่าอื่นทรงให้ชนเหล่านั้นดำรองอยู่ในทางแห่งพระนิพพานทรงเรื่องชนเหล่านั้นออกจากทุกข์ทั้งปวงใด้ทรงกระทําให้เป็นผู้ควรแก่อนุปาทาปรินิพพานตามคาที่กล่าวมาอย่างนี้เป็นอันว่าในคาถานี้ ท่านได้ประมวลพระพุทธคุณซึ่งหาที่สุดมีได้หาประมาณมีได้ที่กล่าวไว้ในจารยาปิดกแบ่งเป็นนิทานสามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นคือทูเรนิทานเรื่องที่ไกลมากอาวิทูเรนิทานเรื่องที่ไม่ไกลแล้วก็สันติเกณิทานก็คือเรื่องที่ใกล้แม้ทั้งปวงมาแสดงไว้คืออุทารสามหมายถึงการยกหัวข้อขึ้น ได้แก่อัตุธาระอย่างหนึ่งรำมุธาระอย่างหนึ่งแล้วก็โลกุธาระอย่างหนึ่งอวัถะสามก็คือการกำหนดได้แก่เหตุอวัถะการกำหนดเหตุผลอวัถะการกำหนดผลสัตตปการะอวัถะการกำหนดอุปการะแก่สัตว์ทั้งหลายจริยาสามก็ได้แก่ยาตถาจริยโราโลกัทธจริยาพุทธทถาจริยา อภิญญาหกอสาจาธารณญาณหกวิชาแปดจรณธรรมสิบห้าพุทธยานสิบสี่อเวนิกธรรมสิบแปดกำลังสิบเวสารชสีและปฏิทบิทาสีเป็นต้นครั้นพระพุทธรักขิตาจารย์รวบรวมพระพุทธคุณแม้ทั้งสิน้นอันเป็นอธิบายแห่งคำพีชินารังการะที่ตนจะพึงอธิบายมาไว้ในคาถาเดียวด้วยประการอย่างนี้แล้ว บัดนี้เมื่อจะแสดงว่าข้าพเจ้าประสงค์จะแสดงพระพุทธคุณนั้นโดยพิธดาลจึงกระทําความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลจะกล่าวพระพุทธคุณโดยการเชื่อมเหตุกับผลจึงกล่าวคาถาว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแล้วซึ่งพระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้สั่งสมคุณความดีไว้แล้วผู้ทรงเป็นเผ่าพันธุ์ผู้เดียวของโลกทั้งปวงแม้พระองค์ใด ทรงไม่มีผู้เปรียบเทียบทรงเป็นผู้สูงสุดในภูตะโลกโดยความยิ่งใหญ่ด้วยกุศลขอท่านทั้งหลายโปรดจงฟังข้าพเจ้ากล่าวถึงเรื่องราวของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอันหน้าพิศวงนี้อันไพยบู์ไม่มีมนทินเป็นโพธิสมพานอันเป็นเหตุเป็นผลที่ถึงพระสุคตเจ้าตามสมควรแก่เหตุเถิด ท่านก็พัฒนาไว้ได้อย่างไพเราะเพราะทิ้งแล้วก็ยังมีเรื่องอีกมากมายเลยในเล่มนี้ชิ่นรังการนี้ประมาณห้าร้อยหน้านะเพราะฉะนั้นก็คอยท่านทั้งหลายได้มีศรัทธาในการที่จะฟังพระพุทธคุณแล้วก็น้อมนําไปเจริญไว้ในใจเพื่อจะได้เกิดปีติปราโมทย์มันเป็นไปกับศรัทธาเพื่อวิริยะสติสมาธิปัญญาจะได้บริบูรณ์เพื่อความเจริญของไตรสิกขาจะได้ตรัสรู้ทำตามเดาสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการไม่ได้เปนชานี้ขออนุโมทนาสาธุการสาธุสาธุสาธุ